195. วิวัฒ น, นาการของผีชานิยามที่ต่างจากกิจนิยามเพราะผู้ปฏิบัติสามารถรู้จกักรู้แจ้งรู้จริงในธรรมะที่ยังมีชาติการเกิดของความเป็นผีชะว่าแตกต่างกับความเป็นอัตตาอย่างมีนัยสำคัญคือตัวตนอัตตาขั้นผีชะ เป็นพลังงานในนิยามที่ยังไม่ถึงขั้นจิตโดยรู้จากปริมาณคุณิตี้และคุณภาพค u a ิตี้โดยมีภูมิปัญญาหรือมีญาณสามารถเห็นแจ้งรู้จริงในการยังลงสะสมพลังงานความเกิดขั้นอกกันติการเกิดที่เป็นพลังงานยังลงสะสมลงในความตั้งอยู่แห่งธาตุน้นๆของตนว่า พลังงานธาตุรู้ซึ่งเป็นสัญญาหรือสังขารในความเป็นภีชัิยา ม, มาเรื่อยก็จะเจริญแค่สัญญาและสังขารไม่ก้าวหน้าขึ้นเป็นเวทนาจึงยังไม่ใช่วิญญาณจนกว่าพลังงานของภีชัิยามนั้นๆมันได้อภิวัพัฒนาขึ้นไปตามลำดับ ถึงขั้นหนึ่งก็มีความเจริญเข้าขีดเป็นเวทนาจากหนึ่งสองสาสี่ห้าหน่วยถึงหน่วยที่เที่เรียกว่าสัตตัคตุประมะที่จะนับเข้าสู่ความเจริญข้ามเขตเป็นพลังงานชนิดใหม่ที่เป็นความเจริญขั้นสัตว์ระดับจิตนิยาม พลังงานถ้ารู้ของคนผู้ที่ยังไม่ก้าวหน้าในปรมตถธรรมถึงขั้นเป็นโรคุตรบุคลจะไม่สามารถอ่านพลังงานต่างๆดังกล่าวนี้ของตนได้เด็ดขาด โดยเฉพาะความเป็นจินนิยามที่ลึกลงไปในจิตของตนก็ไม่มีความรู้ปรมาถ ธ, ธรรมเพียงพอและทำให้จิตใจของตนอยู่ในสภาพของผีชานิยามไม่เป็นกล่าวคือไม่สามารถทำให้ระงับเวทนาตนให้มีคุณสมบัติอยู่แค่อุเบกขาเวทนาได้ก็แน่นอนว่าผู้นั้น ยังไม่มีท่ารู้ที่สามารถรู้ได้ขนาดที่อาตมากล่าวถึงนี้หรอกแมจิทิยามเองก็ต้องมีภูมิธรรมขั้นโลกุตลาขึ้นไปจึงจะสามารถถอยหลังอย่างรู้จากพลังงานสยะตนเองนั้นเองก็ค่อยๆเรียนรู้จากความเป็นอนุสัยตัวตนขั้นปลาย แล้วค่อยๆลดละล้างอนุสัยที่ร้ายเลวของตนได้ความร้ายเลวก็ลดลงไปตามลำดับจึงถอยหลังไปจากค่านอนุสัยเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนกลายเป็นวิสัย